เสียงงานหนังสือคุณลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนาอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพอ่านโดยอริยคุณเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุ ญ, ญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้มุทิตาจินากรปัญญากโกจันอรุษไทยอภิวัฒนเสวีชาวนนททรงพล วิไลวันกุลเพิ่มทวีรัตจิราภร์ภัทราสุวรรณนาคารภาวิยาวรศักดิ์ศิริกุลกัญยนั์ทองบุญรฤทัยรัตทิพเนธนะภพณ์พระวังสวัสดิครอบครัวสินสมบัติลัคนาจัญญาชัยเลิศพิมพ์สิริภักดีชาติปทิตาเชื้อทองรจนามณทาทิพกุลภัสราภรวิริยาปัญญาสุชาดายินภูวารวมกับอีกหลายท่านซึ่งไม่ประสองค์ออกนาม